บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเรื่องของมารเสรนาหรือเสนาของมารที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลผู้ใดสามารถกำจัดมารและเสนามารให้พินาศไปได้บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นมุนีคือผู้รู้ที่แท้จริงมารเสนานั้นเมื่อว่าโดยลักษณะของกิเลสแล้วเพราะ เ, เป็นกิเลสประเภทความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแต่ก็มีความเจือจางเบาบางลงไปโดยลาดับจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสดามานแปลว่าผู้ล้างพรานผู้ทำลายความดีและทำให้เสียคน เป็นอุปสรรคกัดขวางความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการในด้านต่างๆของบุคคลในมารข้อต่อไปนั้นคือความลบหลู่ความตีเสมอความกระด้างที่มังเกิดขึ้นภายในจิตใจที่จริงความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทที่เรียกปรามาณนะคือความถือตัวแต่มาณ น, นั้น สามารถกระจายตัวเองออกไปได้หลายลักษณะด้วยกันทํนนองเดียวกับต้นไม้เมื่อปลูกขึ้นแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปแต่แท้จริงแล้วแม้จะแตกออกไปยังไงก็เป็นกิ่งของต้นไม้เหล่านั้นนั่นเองอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากความภูขึ้นความพองขึ้นของจิตใจระรบตนเองก็ได้ รบของที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็ได้เช่นา ร, รบรูปร่างความรู้วิทยฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานเกียรติยศที่ตนได้จากสังคมเป็นต้นเมียาการพองขึ้นของจิตใจจะแสดงอาการไม่ยอมรับนับถือบุคคลอื่นแต่ในที่สุดก็ออกมาในรูปของการตีเสมอฤรอดูหมิ่นท่าน ก็นี้เพิงสังเกตว่าลักษณะความรู้สึกเหล่านี้บางครั้งก็เกิดขึ้นแม้แต่ในปู่ชนิยบุคคลของตนจนุนลูกมีความรู้สึกต่อพ่อแม่ว่าเป็นผู้รู้น้อยกว่าตนเป็นตนความกระด้างทางใจก็เกิดขึ้นก็จะมีการตีเสมอหรือบางครั้งรุนแรงกว่านั้นก็ออกมาในรูปของการดูหมินท่านอาจจะดูหมินด้วยความรู้ดูหมินด้วยวัยดูหมินด้วยยศศักดิ์ โดยฐานะโดยตำแหน่งโดยกำลังทรัพย์เป็นต้นความรู้สึกประเภทนี้ระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงเพื่อให้บุคคลติดตามอาการของจิตที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปได้วยแรงของมานะเป็นเก้าลักษณะด้วยกันคือโดยสถานะตนเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่งแต่เกิดความถือมั่นเกิดความยึดมั่นขึ้นว่าตนเป็นผู้เลิศกว่าเขา หรือว่าเป็นผู้เสมอเขาหรือว่าเป็นผู้เลวกับเขาความรู้สึกในลักษณะนี้แต่ละอย่างได้อย่างนั้นประเภทแรกแม้จะเป็นเรื่องของความจริงแต่แท้จริงแล้วคนเราก็มีปมเด่นการข น, นสวตกันไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์คือเลิศ ก, กว่าคนอื่นด้วยประการทั้งปวงข้อนี้แม่แต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอง พระองค์ก็ได้ทรงแสดงว่าบางอย่างพระองค์ก็สู้พระสาวกของพระองค์ยังไม่ได้เมื่อมีคนกล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นผู้สันโดษในปัจจัยสี่และยินดีในที่สัญญเลิศกว่าใครทั้งปวงพระเจ้าทรงเชื่เห็นว่าถ้าจะเอากันอย่างนั้นจริงๆแล้วภาษาวกของพระองค์เป็นนั้นมากที่เก่งกว่าพระองค์เช่นว่าสันโดษใน อาหารปรุงเองได้เสวยอาหารบางครั้งตั้งคลืนบัตรหือค่อนบัตรแต่สาวกผู้บำเพ็ญเปลีป่ยนบางองค์รับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งคำต่ั้นเง่งแต่จะเทียบเคียงกันในลักษณะนี้ปรุงก็สู้ภาษาวกไม่ได้ในกรณีนั้นเรื่อการอยู่ป่าเป็นวัดปรุงบางครั้งก็อยู่ในเมืองบางครั้งก็อยู่บนประคันติกุฏิแต่ว่าภาษาวกบางองค์นั้นจะอยู่ป่าตลอดซึ่งจะเทียบกันในกรณีนี้ โปร่งก็สู้ภาษาพกไม่ได้เป็นต้นดนั้นความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเราจะเลิศกว่าคนอื่นจริงๆเป็นเรื่องที่คนอื่นยกย่องไม่ใช่ว่าตนเองจะไปยกย่องตอนเองขึ้นมาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องมีลักษณะถ่อมตนการทำตนจึงเป็นอาการของความมีคุณธรรมหรือความมีค่าของบุคคลก็มีในธรรมชาติทั้งหลายเช่นรวงข้าวที่น้อมตนลงมาได้ แสดงว่ามเมล็ดข้าวนั้นมีมเมล็ดอยู่ภายในรวงข้าวใดที่เชิดชูรวงจนจงดิ่งเราแสดงว่ามีแต่ข้าวรีบทั้งนั้นคุณธรรมภายในใจของบุคคลซึ่งมีลักษณะเชิดชูตัวเองก็มีลักษณะเช่นนั้นแทนที่จะเป็นเรื่องของธรรมะแต่กลับเป็นเรื่องของมานะคือความกระด้างหรือแม้แต่การมีความรู้สึกว่าตนเสมอกับบุคคลอื่น ก่อให้เกิดเป็นการตีเสมอไปทุกกรณีเจเราอาจจะมีความรู้สูงกว่าคนอื่นแต่เราก็มีอายุน้อยกว่าคนอื่นหรือมีอายุเสมอกับคนอื่นแต่เขาอาจจะมีความรู้ดีกว่าเรามีฐานะตาแหน่งดีกว่าเราเป็นต้นเออสรุปว่าจะเสมอการไปทุกกรณีก็ไม่ได้แม้แต่ถือว่าเลวกว่าคนอื่นก็จะเป็นเหตุให้ดูหมิ่นตัวเอง่้ำจีตัวเองและเลยการพัฒนา การเสริมสร้างสถานะของตนเองให้ดีขึ้นสูงขึ้นในที่สุดชีวิตก็จะไม่มีคุณค่าอะไรในชุดที่สามนั้นโดยสถานะแล้วตนเสมอกับบุคคลอื่นแต่เกิดความยึดถือว่าตัวเลิศกว่าคนอื่นหรือเสมอบุคคลอื่นหรือเลวกว่าคนอื่นในกรณีที่ถือว่าตัวเลิศกว่าเขาก็เป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนอื่นในกรณีที่ถือว่าเสมอกับเขาก็เป็นเหตุให้ตีเสมอคนอื่น ในกรณีที่ถือว่าตา่ำกว่าเขาก็เป็นเหตุให้ย่ายีตนเองดูหมินบุคคลดูดูหมินตนเอ ง, อเองหรือว่าโดยสถานะตนจะเป็นผูต้ต่ำกว่าคนอื่นแต่เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาว่าเราเลิศกว่าเขาเส ม, มอเขาหรือเร็วกว่าเขาก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นการตีเส ม, มอท่านหรือเป็นการดูหมินท่านหรือเป็นการดูหมินตน แต่ละอย่างนั้นเป็นการฟูขึ้นของใจรือการควบลงของใจที่อาศัยความรู้สึกประเภทมานะมานะนั้นให้ลองสังเกตว่าเป็นอาการของโมฆะที่ไม่รู้ความจริงกับโลภะคือความอยากได้การยอมรับนับถือสถานะจากบุคคลอื่น แ, แสดงออกอาการออกมาในลักษณะอย่างนั้นท่านที่มีบารมีธรรมสูงสูงแต่ว่าเกิดมาติดมานะอยู่เพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะบรรุมรคผลตามที่ตนต้องการได้ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในสมัยพุทธกาลก็คือพระชนะซึ่งเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าเป็นคนมีบา ร, รมีสูงมากเกิดเป็นสาชาติกับพระพุทธเจ้ารับใช้ใกล้ชิดพระพุทธสัจตลอดเวลาแต่พอบวชเข้าไปท่านเกิดมาณนะกระดัางว่าเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า ไครว่ากล่าวตักเตือนอะไรไม่ได้แนะนําสั่งสอนไม่ได้ยอมรับนับถืออยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นการตัดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลตลอดระยะอันยาวนานที่พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่และเพิ่งมาบรรลุมรรคผลหลังจากปฐุมสังขารนาไปแล้วนี่แสดงให้เห็นได้ ว, ว่าถ้าท่านตัดมาณนะลดละมรณนะลงไปได้ก็บรรลุมรรคผลไปนานแล้ว แต่เนื่องจากอาการฟูขึ้นความกระด้างของจิตใจทำให้ท่านไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติษษษได้เสนามานกลุ่มต่อไปเป็นเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยอำนาจของกิเลสทรงแสดงว่าลาบยศสรรเสริญสัส ก, การะความนับถือที่บุคคลได้มาในทางไม่ชอบธรรมนั้นเป็นเสนามานของท่านทั้งหลาย ข้อนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติในทางพุจธิิตที่มีรู ป, ปรธรรมมีบุคคลเป็นแบบในการศึกษาเรียนรู้กันอยู่ข้อ น, นี้พึงสังเกตในกรณีของหลักชีวิตของบุคคลเรานั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้โดยอํานาจของความโลภจัดความโลภพอประมาณหรือความต้องการของร่างกายก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีลาบคือสิ่งที่เราได้มา ปัาในทางระพุทธศาสนานั้นก็ <S <S เพียงแต่ให้ได้มาในทางที่ชอบธรรมเท่านั้นจะได้มามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้เสียธรรมะแต่ประการใดเพราะคนที่มีคุณธรรมอยู่ภายในใจเมื่อได้มามากๆก็จะแสดงออกมาในรูปของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นําสิ่งที่ตนได้มาไปสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลให้สูงมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากว่าราบนั้นได้มาในทางไม่ชอบธรรมจะเป็นการทำลายเบียดบีล้างแผลนตุนเองทุกขั้นตอนตั้งแต่โลภเจตนาคือเจตนาที่ประกอบด้วยความโลภบังเกิดขึ้นเป็นอาการของความโลภจัดทาให้การสแสวงหาของบุคคลออกนอกคันรองของศีลธรรมที่ดีงาม ในขณะที่แสวงหาอยู่ก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองด้วยให้ความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นๆด้วยเพื่อเป็นชั้นของการผิดศีลเมื่อได้มาถือครองอยู่ใจของบุคคลก็จะสมไอ้สงบบางครั้งของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำก็ต้องเอาไปซ่อนไปเก็บไปซุกเอาไว้โดยจะมีการจับได้ไล่ทาน แต่นั้นในขณะที่ถือครองอยู่ตามปกติแล้วทรัพย์สมบัติควรจะได้ให้ความปลื้มใจความปีติแก่บุคคลเหาดันั้นแต่เนื่องจากเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมใจจึงวิตกกังวลหวาดระแวงสูญเสียความมั่นใจกลัวจะมีการจับได้ไลายทานเกิดขึ้นแทนที่จะได้รับความสุขหรือรับความปลื้มใจประทรัพย์ที่แปลว่าวัตถุเป็นเครื่องปลื้มใจในวัตถุที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจ บุคคลก็กลับไม่ได้รับความปลื้มใจเมื่อมีการจับได้ไล่ทันจากผู้รักษากฎหมายถูกจับกลุ่มคุมขังลงโทษก็เดือดร้อนประกรบความทุกข์อย่างแสนสาหัสในขณะที่ไม่ได้ถูกจับกลุ่มคุมขังลงโทษก็มีโทษทางใจคือความเร่าร้อนใจยศเป็นโลกธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องเกิดขึ้น แกบุคคลทั้งหลายในพางโลกุตตสานาได้จําแนกแสดงยศเอาไว้เป็นสประเภทเลยกันประเภทแรกคือเกียรตยิยศซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเกียรติยศก็คือคุณธรรมความดีที่บุคคลกระทําแล้วผลจากการกระทํานั้นแผลไปเป็นที่ยอมรับนับถือยกต้องของบุคคลทั้งหลายแต่ถ้าหากว่า บุคคลไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเรื่องของธรรมะเยติยศก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นโดยการยอมรับยกจ้องของภาลชนซึ่งมีแต่จะทําตนให้ประสบความปิบัติมากยิ่งขึ้นไปแถาการต่อไปคือบริวารยศได้แก่มีสมัครพวกพวกมีบริวารมีผู้รับใช้ผู้ติดตามห้อมล้อมเป็นนั้นมาก ในกรณีนี้เกิดขึ้นได้ทั้งโดยชอบทำและไม่ชอบทำหมาจรนก็มีบริวารได้ราชาก็มีบริวารได้พระอระหันต์ก็มีบริวารได้จึงแสดงว่าคนดีก็มีบริวารได้คนสูงสุดคือพระอระหันต์ก็มีบริวารได้แต่พระพุทธศาสนาเน้นให้เกิดมาในทางที่อาศัยเกียรติยศเป็นฐานสร้างบริวารอิสยศคือความเป็นใหญ่ ซึ่งก็มีได้ในบุคคลทั้งหลายเหมือนกันแล้วก็ได้มาในทางที่ชอบทำก็ได้ไม่ชอบทำก็ได้เกียนค่าเบียดเบียนทำลายล้างบุคคลอื่นแล้วก้าวไปสู่ฐานะตาแหน่งเ่านั้นก็ได้แต่วยศที่ได้บริวารยศและอิศยศที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำมักจะจบลงด้วยความไม่ชอบทำแม้ในระดับที่สูงสูงระหว่างประเทศ ลองสังเกตว่าผู้นําบ้านเมืองใดก็ตามที่ได้อํานาจรัฐมาด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเข็นฆ่าบุคคลอื่นจะอยู่อย่างไม่เป็นสุขมีความบาดบีตกกังวลเดือดร้อนไปด้ประการต่างๆแล้วมักจะจบลงด้วยลักษณะเดียวกันคือจะถูกปฏิวัติรัฐประหารเช่นประเทศต่างๆแถวแอฟริกาเป็นต้นนี่ก็เป็นการชี้เห็นว่ายศที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำนั้นเป็นมาร เป็นตัวสร้างความเดือดร้อนเป็นตัวเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจแม้ในขณะ ท, ที่มีชีวิตอยู่ครอบครองยศนั้นอยู่ก็เดือดร้อนและเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อผลกรรมนั้นตามมาสนองในชาติปัจจุบันเนื่องจากการได้มาซึงยศเป็นการได้มาที่ในทางที่ไม่ชอบทำเราต้องสร้างบาปสร้างอกุศลไว้เป็นอันมากและจะต้องเดือดร้อนแม้ในชาติภพต่อไป ความสรรเสริญต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้หรือแม้ในยุคใดสมัยใดก็ตามเราจะพบว่าความสรรเสริญจะเกิดขึ้นสองทางทางหนึ่งปรากฏคุณธรรมความดีของบุคคลเหล่านั้นที่บุคคลประจักษ์แจ้งด้วยใจของตนเองเห็นความดีของบุคคลแล้วก็นํามายกจ้องแต่บางครั้งบางคราวเป็นเรื่องของหน้ามา้าเป็นเรื่องของการปรุงแต่งโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ทา้านที่บุคคลนั้นไม่มีคุณธรรมความดีอะไรแต่ใส่สมัครพระพวกบริวารเนึงเงินจาเป็นต้นก็ไปสร้างเงื่อนไขเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีอยู่ในตนให้คนอื่นยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในตนการปฏิบัติในลักษณะนี้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าปรารถนาลามก จะเกิดขึ้นจากความโลภจัดความหลงจัดที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลจะปราถนาสถานาการยอมรับหถือเป็นต้นที่ไม่มีเลยตนความดีงามที่ตนไม่ได้ทำก็ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำสิ่งต่างๆที่เป็นรู ป, ปรวัตถุตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเนั้น ลักษณะเหล่านี้ในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินะเป็นการสดแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่ประกอบด้วยความโลภอย่างไม่มีเหตุผลอยากได้แม้ในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของของตอนนั้นเองแต่ไม่ถึงก็ไปปล้นไปฆ่าเขาคือจะออกมาในรูปของการแย่งการขโมยความดีของบุคคลอื่นเจ้า ก, การงานนีเรื่องนี้คนอื่นก็ทำ แต่ว่าตนเอาไปเสนอผู้บังคับอัญชาเพื่อหาความดีความชอบใส่ตัวเสียเองการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้ในสมัยพุทธกาลเองก็มีอยู่เป็นนั้นมากเป็นตัวอย่างที่เชียวเห็นทั้งว่าโอกาสจากนั้นท่านก็ตกไปจากความดีทั้งหลายลูกศิษย์พระมหากัรสปะสองรูปรูปหนึ่งสนใจประพฤติปฏิบัติอาจาริยวัตรอุปชัยวัตรเป็นอย่างดี รูปหนึ่งนั้นไม่ทำแต่ก็ไปเสนอหน้าตัดเอาผลงานของเพื่อนไปรายงานอุปจาร์ว่าตัวทำอยู่เสมอต่อมาเมื่อพระเทระจับได้ก็เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนเพื่อเกิดความสำนึกอันนี้เป็นปัญหเพราะการกระทำเหล่านั้นมันเป็นการเพิ่มบาปที่ต่อเนื่องกันไปในครั้งแรกตนก็ไม่ได้ทำนั่นก็เป็นความบกพร่องชั้นหนึ่งแล้วในชั้นที่สองคือไปขโมยความดีของบุคคลอื่น ก็เป็นความผิดครั้งที่สองและนำเรื่องเหล่านั้นไปโกโหกก็เป็นมุสาวาดพอตักเตือนก็เกิดโทสะคือความปัตุสไราบางครั้งก็อาจจะไปปฏิบัติรุนแรงไปอย่างพระรูปที่ถูกตักเตือนนั้นเมื่อถูกตักเตือนข้าวเ้าแทนที่จะสำนึกเสียใจแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองท่านกลับโกรธทุบตีภาชนะเครื่องใช้ใ น, นในกุฏิของพร ะ, ระิระแล้วก็เผากุฏิ ในที่สุดแทนที่จะตกจากพระธรรมบินในก็กลายเป็นตกนรกไปเลยนั่นคือมันเป็นการได้ความสรนเสริญในทางที่ไม่ชอบธรรมการดุจ้องนับถือในทางที่ไม่ชอบธรรมแทนที่จะเป็นเกิดเป็นผลดีเป็นประโยชน์แก่ บ, บุคคลก็กลับทำบุคคลหรือบุคคลเหล่านั้นให้ตกต่าเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจิตที่ตกทางนั้น ตกไปใต้ภายใต้อำนาจของกิเลสภายใต้อำนาจของความโลภของความหลงพอเปลี่ยนอีกทีนึงก็กลายเป็นความโกรธความปัตุสไรก็หมุนวนอยู่ในกลุ่มของกิเลสทั้งหลายแต่นั้นจึงส่งสอนให้บุคคลพิจิตพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่บุคคลควรจะได้นั้นก็ควรจะได้เมือ่อจะเป็นลาบยสศสรรเสริญสุขหรือว่าผลที่บุคคลต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ เมื่อปรารถนาที่จะได้มาก็ส่งสอนในชั้นของการใช้ความเปลี่ยนพยายามที่เหมาะเจาะสอดคล้องกับเพดที่เราต้องการผลอะไรก็ให้ประกอบเพดในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าผลเกิดขึ้นก็เป็นผลที่กอให้เกิดความปรับรื่มใจความสุขใจความมั่นใจและพร้อมที่จะเป็นฐานรองรับความดีเบื้องสูงขึ้นไปอีกเป็นนั้นมากจากพื้นฐานธรรมดาสามัญจนขึ้นเป็น คำาดีในชั้นสูงและเป็นเป็ น, ปนอุปไม้สายปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้อีกลักษณะหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นมานกลุ่มโมหะและกลุ่มหลุภะเช่นเดียวกันนั่นก็คืออาการของมานะเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วแต่ออกรูปมาในการดูถูกดูหมิน่นไม่ยอมรับนักสือบุคคลื่นและดูถูกดูหมิ่นบุคคลดึ เป็นอาการเป็นอาการกระด้างทางจิตของบุคคลที่รุนแรงลักษณะเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าบางครั้งตนต้องการได้สถานะเหล่านั้นเองจะมีคนยกย่องคนใดคนหนึ่งความริษยาจะเกิดขึ้นภายในใจก่อนแต่ว่าทำใจไม่ได้และในที่สุดก็จะพยายามตัดรอนความดีของบุคคลนั้น ก็อาจจะดีด้วยประการทั้งปวงแต่เพราะเราไม่ชอบใจไม่พอใจโมหกกมกโะก็เกิดขึ้นมากโลภะก็เกิดขึ้นมากก็พยายามจับประเด็นส่วนอื่นขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องตำหนิบุคคล น, นั้นจะอาจจะปราบรูปหลังปิพันธุถานสังกูรูนดังเดิมของตนเป็นต้นของบุคคล น, นั้นเป็นตน้นเพื่อจะตัดรอนความดีของบุคคลอื่นลงไปลักษณะของความคิดเหล่านี้ จึงกระจายตัวเองออกไปในลักษณะอื่นๆ อ, อีกเป็นนั้นมากะมาลาเสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะมองในแนแนรวมก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่จริงแล้วพวกกรามฉันก็ดีพวกความยินดีก็ดีความปรารถนาก็ดีเป็นเรื่องของกิเลสสายโลภะนั่นเองพวกความซึงซึมห ง, งอยเหงาวความเครือบแคลงสงสัย เกิดขึ้นมาจากความหลงไม่รู้จริงไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอาการความรู้สึกที่เราเรียกว่าขลาดกลัวก็เกิดขึ้นมาจากโมหะที่มีปรากฏภายในใจขณะนั้นนั้นหรือบางครั้งก็เพราะมีปัญหาอยู่ภายในใจของบุคคลราความกลาดกลัว ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นแตกต่างกัน ในกรณีที่คนเป็นอากขาดกลัวคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้สึกขาดกลัวก็ได้เพราะอะไรเพราะเหตุแห่งความขาดกลัวนั้นไม่มีอยู่ภายในใจก็ไม่ต้องขาดกลัวแต่ถ้าเหตุให้เกิดความขาดกลัวไม่อยู่ภายในใจก็จะแสดงความขาดกลัวออกมาส่วนใหญ่จึงเป็นการเน้นในเรื่องของโลภะโทสะโมหะนั่นเองแต่ไกลออกไปเห็นว่าในต้นไม้ต้นหนึ่ง แต่พร้อมที่จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปด้วยประการต่างๆและเมื่อมองย้อนกลับมาจากปลายไม้มาหาต้นไม้ก็จะอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นเองดังนั้นในเชิงของการปฏิบัติแล้วไม่จําเป็นจะต้องมองให้กิเลสเป็นมาราเสนามากขนาดนั้นก็ได้โดยการพยายามที่จะตัดต้นตอของเสนามันจํานวนที่เราพูดกันในโบราณว่าจับโจรให้จับหัวหน้า ทันี้เป็นเพียงบริวารเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวมารหรือตัวหัวหน้าที่แท้จริงหรือจอมจอมมารที่แท้จริงเวลาสอนให้ประพุทธปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงเน้นไปที่ตัวหัวหน้าใหญ่คือความโลภความโกรธความโกรในชั้นของศีลธรรมจัญญาคือชั้นของาการคลองเรือนครองสุขที่จะก่อให้เกิดเป็นความสงบใจของบุคคล น, นั้นส่งสอนในระดับบรรเทา ให้บรรเทาคือลดความรุนแรงในชั้นของการตรึกนึกเดอมนาศของความโลภความโกรธความดุแต่จะโลภ ก, ก็คุมความโลภไว้อย่ล้นออกไปจนถึงอยากได้ของของของขอ ง, ของบุคคลอื่นในกรณีของความโกรธก็ลดความรุนแรงของความโกรธ่าให้ล้นออกไปคืออย่าถึงกับไปพยาบาทอาฆาตจองร่างจองพระ ความคิดหรือความรู้สึกในลักษณะนั้นเป็นการประทุษลายตนเองคนที่เราไปอาฆาตพยาบาทเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรตัวใยของบุคคลที่ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาทในขณะนั้นจะมีความทุกข์ความร้าร้อนจนตื่นก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายในจานของความหลงซึ่งถือว่าเป็นต้นของกิเลส จ, จริงๆเพราะความหลงก็คือวิจารวิจาก็คือความหลง จะทำอยังไรบุคคลจึงจะเพิ่มปริมาณของปัญญาซึ่งเหมือนแสงสว่างให้จัดความมืดคือความหลงให้เบาบางลงไปเมื่บุคคลจะได้เดินไปสู่ตางแห่งความสุขความเจริญความสงบเมื่อนุคคจะเดินไปจากที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งนั่นสถานที่ดําเนินไปก็อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะพอเห็นวัตถางได้ เพราะถ้าไม่นงั้นแล้วก็เดินไปไม่ได้แระเจ้านี้จึงทรงสอนให้บรรเทาความมืดโดยการเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ถ้าจำเป็นจะต้องพลาดจริงๆก็อย่าถึงก็ออกนอกทางที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นคือการเดินออกนอกทางการเดินเดินออกนอกทางก็มองเห็นภาพไนดะ้อย่างชัดเจนเช่นว่ามีถนน แล้วคนเดินออกไปนอกถนนหรือขับรถออกไปนอกถนนข้างหน้านั้นก็พอเห็นอะไรกันได้ว่าไม่เป็นผลดีอะไรแก่บุคคลเหล่านั้นแต่หนึ่งใชกคำว่ามิจฉาทิฐิชิวานอกทางสามาทิฐิชิวาในาทางการเดินในทางเหมือนกับการขับรถไปในสถานที่ต่างๆตราบใดยังอยู่ในทางแต่ด้านโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ใกล้เข้ามา การเดินทางไปสู่คุณธรรมบึ้งสูงขึ้นไปในชีวิตปัจจุบันและภายภาคหน้าตลอดถึงมรรคนิพพานก็มีทางที่ทรงกาหนดแสดงไว้แล้วแต่ถ้าบุคคลมาเดินไปบนเส้นทางสายนั้นไยเชื่อมั่นได้ว่าโอกาสหนึ่งซึ่งไม่ควรจะไกลเกินไปบุคคลก็จะประสบความสุขความสงบที่แท้จริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ เพราะว่าพอถึงชั้นของการปฏิบัติแม้จะหลากหลายออกไปขนาดนั้นแต่ก็มีธรรมะเป็นเครื่องแก่จะลักษณะเขามาณนพะระพุทธเจ้ากสอนคารวะธรรมให้บุคคลมีความคารวะมีความเคารพเริ่มมาจากเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงค์ในศีลสมาธิปัญญาในความไม่ประมาทในการศึกษาในการปฏิสันถานเป็นตน้น าหากว่าคนเรามีความคารวะได้มานะมันก็ลดไปในกรณีของการได้มาซึ่งลาบยศสรรเสริญเป็นต้นในทางที่ไม่ชอบธรรมนั้นก็มีทางหนึ่งซึ่งเป็นทางชอบธรรมบุคคลสามารถได้สิ่งเหล่า น, นั้นมาตามที่ตัวประสงค์ได้แต่นั้นในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็คงรวมสรุปอยู่ในแนวเดียวกันนั่นเองดังกา เรื่องของเสนามานจึงเป็นการจำแนกไ้เหงกกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นเดียวกันเท่านั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป